เป็นยัไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นใจเป็นยังไงชวนนี่ดูดูว่าที่แสดงบอลไปเจอเนื้อสายข้ามันแต่มปวิ่งตามตูนน่ะไม่เดิน เื่อชื่นช ม, สมอะไรแบก็จะดูจะทวงสิใจออกไปแต่ก็รู้นะครับใส่ใส่เอาไปวันละหลายครั้งก็รู้หลายๆครั้งนะเนาะคือบางทีมันเหมือนก็เวลาเราชื่นชมคนเขาทำดีอะไรถ้าเราติดตามเขามันก็เป็ น, ม, นมันก็ดีนะ แต่แต่มันก็ถ้านพูดถึงในแง่ของวริเลซ์ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเยอะมันมันก็ทำให้จิตเราบอกละคือวันวันหนึ่งถ้าเรารับรู้เรื่องราวหลายๆอย่างมาในชีวิตจิตมันก็จะพุกออกไปื่อทีมันก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีบ้างบางทีก็ไม่ได้มีสาระอะไรบ้างมันก็จะปุ่ม แต่ก็ไม่เป็นไรนะคือถ้าเราปุสติเราก็มีสติคอยรู้ทันรู้ทันแต่ถ้าบางอย่างเศษน้อยลงบ้างมันก็จะช่วยให้มันสงบเข้ามาสักหน่อยปกติไม่ค่อยดูค่ะแต่นี่วิ่งเชิญชวนก็เลยยูบ่อยช่วงสองสาวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจิตมันไปเรื่อยจิตไปแต่ก็รู้รู้กั้งจิตไป ได้ได้ไม <c ười> ่เป็นไรก็ก็ลองดูดูถ้าถ้ามันรู้สึกว่าถ้ามันไปบ่อยเยอะแล้วเราไม่ค่อยรูไม่ค่อยทันนะแล้วก็อาจจะลดการดูลงมันจะได้ทําให้กําลังที่มันจะพุ้งออกไปมันน้อยลงเพราะมันผิดก็้งากี่วันหัวมันจะวิ่งปึ๊บแตถ้าเราเตะไม่เยอะเดี๋ยวก็คือไม่เคยทราบเรื่องเขา ก็เลยดูในยูทูปก็เลยไม่รู้อะไรยากแต่ตานที้ดูแล้วก็อยู่แล้วม่ไม่ค้นหาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้าแบบที่ที่เขาเน้นทำสมาธิซึ่งใหม่อยเขาก็จะแนะนำให้ ให้เสพข้อมูลข่าวสารใ้น้อยเพราะว่าจิตมันจะสงบคือจริงถ้าไม่ต้องอ่านอะไรเลยก็ดีไม่ต้องไปฟังในอื่นเลยก็ดีไม่ต้องพูดคุยเลยมันก็คือเหมือนปิดกั้นการรับรู้ที่แบบที่มันคล้ายค้ายไม่จําเป็นในในแต่ละวันเนาะพอเราไม่ไม่รับรู้สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารอะไรนะข้อมูลข่าวสารในทีนี้ไม่ใช่จากโทรทัศน์จาก จากวิทยุท่นันนะสืครับคือที่ยิงการพูดคุยเนี่ยแหละการพูดคุยการอ่านการฟังต่างๆเนี่ยมันคือจิตมันจะเก็บบางทีก็เก็บเป็นข้อมูลบ้างบางทีก็เก็บเป็นอารมณ์บ้างแล้วมันก็เหมือนเก็บไว้อะ่ะมันเราเก็บของไว้นะมีคนให้อะไรมาเราก็เก็บไว้แล้วก็ใส่กระเป๋าบ้างใส่ย่ามบ้างไว้ในห้องบ้างนะ ก็ไม่รู้ตัวนะ อ, อแต่พอเนี่ยแหละพอปฏิบัติธรรมมันอาในนี้ก็มีอันนี้เหรอในห้องก็มี น, นี้เหรอมันก็ฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาให้เราได้รู้ถ้าถ้าวิธีที่เขาเน้นทําความสงบหน่อยก็พยายามจะไม่ให้มีเรื่องพวกนี้มากมันจะได้มันจะได้แบบสงบได้ง่ายแต่ของเราเองถ้ามันจําเป็นต้อง ต้องรับรู้หรือจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการงานของเรานะเกี่ยวข้องทีดจวยมันเราก็ดูได้นะแต่ท่านนีค้คอยรู้ทันเลยใจใจมันฟุง้งนะใจมันคิดเรื่องงานใจมันระลึกถึงข่าวที่เราเคยอ่านเนะี้ยเราก็มีสติคอยรู้ทันนะแต่อย่าไปรําคาญมันนะอย่าไปรําคาญมันแล้วก็อย่าเธอหลงไปไหลไปกับมัน บางเรื่องเราชอบเราก็จะคิดต่อบางเรื่องเราไม่อยากให้คิดเราก็จะไปห้ามมาันอันนี้ปิตใจที่ถ้าวางผิดจะเป็นนะคนอื่นเป็นไงบ้างเห็นอะไรบ้าง <c oughs> อืม mm hmm. <laughs> ความใจไม่ได้อะว่าแบบเฮ้ยเราเห็นชันแล้วมันจะเริ่มแบบคาะหรือจเห็นเขาไหลมูมากขึ้นอะใช่คือที่จริงมันดอกเรามานานแล้วแหละ <Yeah. S 1> แต่เราเพิ่งรู้ทันมัน mm hmm. <laughs> ที่จริงกิเลสเขามีแท็กติกเยอะ <laughs> <laughs> แต่คล้ายๆถ้าถ้าคนทั่วๆไปก็คือใช้ เรียว่าใช้แท็กติกแบบเบสิกนะเราก็ลงไลยละแต่พอถ้าเราปฏิบัติทํามากขึ้นคราวนี้มันพอเริ่มที่เป็นแบบเบสิกเบสิกเราเริ่มรู้ทันมันก็จะมีมีทุกไม้มีมีแท็กติกที่สูงขึ้นเนาะคล้าๆเมืนเราเล่นเกมเยอยู่ด่านแรกๆ ก, ก็ง่ายๆพอด่านหลังๆก็จะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะมันละเอียดขึ้นแต่ก็ถือว่า พอเราเห็นมันนะเราก็เออมันก็เดิมก้าวหน้านะเพราะจริงก็อย่างนั้นจริงนะแต่มาฟังเหลวงพ่อเขียนกดไม่มีอะไรนะมีแต่รู้กับหลงเพราปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจริงมันรู้สึกว่าชีวิตนี้ถ้าคือถ้าเรามีรู้ตัวในขณะเนี้ยก็แสดงว่าเราหลงละแต่บางทีเราหลงแบบไม่รู้ตัวนะอืแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าหลง คือรู้ว่ามันหลงอ่ะนี่คือคือรู้นะรู้รู้ว่ามันหลงเนี่ยก็คือรู้ละอืแต่บางคนหลงว่าจะเองรู้แบบนี้ก็คือมันหลงนํานะอืมแต่ถ้ารู้ว่าหลงนะหรือรู้ว่าไม่หลงก็คือโอเคนะเช่นเรารู้กายนี่ก็คือรู้รู้กายรู้จิตมันคิดรู้จิตมันหลงนี่ก็คือรู้ละ แต่บางทีลักตัวใหญ่เราจะหลงไปอยู่กับความคิดหลงไปอยู่กับอารมณ์หรือบางทีเราก็บางทีเราก็กลงไปเพ่งนะมีนหะลงไปกับคองหลงไปอยากให้มันอยู่แบบนี้นะเม็ดอย่าไปก็มันจะเห็นแบบนี้ไปเรือ่อยเห็นแต่รู้เห็นกับแต่รู้กับหลงเราก็ครั้นี้ก็พยายาม รู้ทันถ้าถ้าบางครั้งจิตมันเห็นความหลงบ่อยๆเห็มควางคิดบ่อยๆ บ, บางทีจิตมันบางครั้งอาจจะเกิดโทสะได้คือโทสะที่มันทาไมมันหลงบ่อยอเินๆนะให้เรารู้ทันเท่นั้นนะแต่ถ้ามันเหนื่อยมากบางทีเห็นตัวหลงบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆมันเหนื่อยบางทีเราก็กลับมาทำสมาธินิดนึงทำไม่เป็นอนะ <laughs> สวดมนต์ก็ได้บางครั้งมันเร็วจนแบบโหสวดมนต์ไหมสวดมนต์แบบแล้วก็คือไม่ต้องไปสนใจอ่าอื่นมากสนใจแค่เทีนกาสวดมนต์เลยนะเพราะว่าทั้งวันนะคะเวลาไปทา ง, น า, งานพยายามตามรู้นอกรูปแบบมาครั้งหน้ามันก็ทาอยู่นะมันก็รู้ตามรู้สึกกาวานนันหนุ่มต้องรอวันเลยอ่ะคือเราไม่ไหแล้วตัก็ตัดอารมณ์แล้วตะตะลแบบแค่สินาทีสักคังมันก็จะรู้แล้วแบบ ตอนตื่ก็เห็นว่ากายก็นแบบนอนป่าอยู่มันแบบเป็นหมดเศร้าแล้วอ่ะแล้วควาก really ็โอเคพอกลับมางานแต่ต้องมีแบบเหมือนรู้มันนันแหละมันมันตามรู้แบบเยอะอ่ะหนูคุยคุยคุยก็แบบขยันมากเลยยอมอาจจะลองสเกตดูว่าเราทําอะไรที่แล้วจิตมันค่อข้างไปสมาธิให้มันได้พักอ่ะทําอะไรแล้จิตมันค่อนข้าๆไปสมาธิ เวลามันเหนื่อยมากๆนนี้เดียมต้องนอนสังเกี่เลยรบายสีได้ไหมคะได้แล้วเรื่องมีนาราะรบายสีักทีได้ได้ได้ระบายสีเป็นสมาธิก็ได้คือบางครั้งเหมือนคือเวลามันรู้ตัวบ่งเยอะๆเน่ะมันเหมือนมนเราทํางานเยอะอืมันได้งานเยอะนะมันได้ปัญญากำลังเจริญปัญญาเลยแต่มันก็เหนื่อยเราก็ใช้สมาธิกลับมา กลัม า, าักแต่บางคนอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่บางทีเช่นเรากลับมารู้กายมากขึ้นวันนี้ทค่จริงมันก็เป็นสมาธิมากขึ้นเยอะบางครั้งรู้สึกว่าเดินจงกรมแล้วก็เสียบฟังธรรมะค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่ามันคลายได้เลยได้ไดี ด, ดีก็เราหาอุบายแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่่าไปทาอย่างอื่นแบบ ที่มันขาดสติไปเลยแล้ว ก, ก็ครับมีความรู้เป็นธรรมค่ะอ่าก็ดีแล้วถ้าทาต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกระวังเวลาจิตมันเห็นบ่อยๆมันจะเกิดโทาสะไปให้รู้ทันมันหรือว่าเวลาเหนื่อยมากๆก็หาหาเครื่องอยู่ให้จิตมันได้พักไม่มีกําลังขึ้นพอมีกําลังแล้วก็มาตามดูดูความหลงใหม่ แต่ที่สาคัญนะอย่าไปดับดูมันให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เห็นมันอย่าไปดับดูอย่าไปคลาไไยไปคอยที่จะดูมันแล้วก็ดูมันว่าความหลงนะมันก็ไม่ใช่จิตจริงๆนะตัวหลงมันเป็นอาการอย่างหนึง่งตัวรู้เป็นอาการอย่างหนึ่งนะ ตัวหลบเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตแต่มันก็ไม่ใช่จิตนะลองดูไวงเงยคอื่นเวงไงยแหม่มันหลับตอนเดินตรงๆนะคะรู้สึกเหมือนมันเหมือนคนหลับปากเลย <c oughs> ไม่ไม่ดูใช้เขาด้วย ถ้าถ้ามันรู้สึกแบบนั้นโยมอย่าเพิ่งใช้ความคิดหาเหตุผ ล, ลว่าทำไมเป็นแบบนั้นคือทั้งเป็นแบบนั้นนะเราอาจจะหยุดเดินแล้วก็อาจจะเช่นแบบมองไปทางอื่นให้มันเปลนคือคล้ายๆที่สติมันเกิดขึ้นจากการนอนกับการขยับใบหน้าหรือทีเราขยับตัวให้มันตื่นตัวขึ้นอยเลยนะทําแบบนั้นไปเลยไม่ต้องไ ป, ไ ม, ง ไ, ปไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลนี้ทําไมถึงเป็นอย่างไง เราเราหาวิธีให้สติมันมากขึ้นเพราะว่าสติมันไม่พอใช่ไหมคะมันก็ยังเดินตรงกรมได้แบบไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าง่วงนอนเหมือนคนกินอาหารขี่แล้วง่วงนอนแล้วเดินต่อไปได้แต่ว่าเนี้ยคือมันก็เดินได้ปกติค่ะแต่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมันมันจะหลับหรือมันมันอยู่ข้างในอะค่ะแล้วใจมันก็แบบไปถามหาเหกุผลว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละเราไม่ต้องเอาไม่ต้องไปคิดเหตุผลตรงนั้นแต่ก็มันมันซึมมันที่เรียกว่าสติมันไม่ชัดสติมันไม่ตื่นนะไม่ตื่นเราก็หาวิธีทําให้สติมันตื่นด้วยวิธีไหนก็ได้นะอย่างอัตมาอย่างัตมาถนัดที่บางทีแค่หายใจเข้าหายใจออกสักหน่อยมันก็เหมือนดึงสติขึ้นมาแล้วหรือบางครั้งเราก็แบบขยับตัวอะไรนิดหน่อยแบบ เพิ่มสติกับการขยับตัวนะแล้วก็พอมันตื่นขึ้นมาตั้งเนี่ยเราก็เดินธรรมดาเราจะทำอีกอย่แล้วก็ให้มันเหมือนได้ออกกำลังกายอย่างงี้ยขึ้นมาแล้วก็ไม่กลับมาใช่เมื่อกี้อย่างที่มาพูดก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่เราไม่ต้องไปแบบไปทําแบบเยอะๆทําแค่ไม่กี่ท่านี้ก็จะให้กลิ่มันตื่นขึ้นมานะดอง แต่นั่งก็ดีตอนไหนก็ดีก็คือไม่ต้องไปเอาเหตุผลมันบางทีบางทีหลายๆคนแบบบางทีใช้การ เ, เราใช้ความคิดมากไปทําไมถึงเป็นแบบนี้นะทําไมถึงเกิดอารมณ์แบบนี้ทําไมถึงรู้สึกอแบงนี้ทําไมถึงภาวนาที่หนึ่งที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องเอาเหตุเอาผลให้มันเลยมันเป็นแบบนี้ดูว่าเป็นแบบนี้ แบบนี้นะถ้ารู้ไปเป็นแบบนี้แล้วมันมันยังไม่หายแสดงว่ากําลังสติไม่พอดูแค่นี้พอไนหะแสดว่าถ้ารู้แล้วมันไม่หายเนะี่ยแสดว่ากําลังสติไม่พอทําไงถึงจะมีสติเพิ่มขึ้นเนะี่ยเราก็ทําพอมีสติเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอารมณ์พวกนั้นมันจะหายเองคล้ายๆเหมือนกับเมืเราเปิดไฟดวงหนึ่งเนะี่ยมันยังสว่างไม่พอเนะนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อกาลังสติไม่พอก็เปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้น มันก็จะื่อว่างนะเพื่อนเองพอเราไปไปให้ไปไปขดใจกายอาการอย่างเนี้ยมันก็เลยทาําให้เราไม่ได้อยู่กับตัวเราด้วยใช่ไหมใช่ทําให้เราลงไปอยู่กับกองคิดเราไปหาเราพยายามไปคิดวิเคราะห์ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แต่นักกีเดตมันก็มันก็มี <c oughs> ดอกในหลายทางอื <c oughs> <c oughs> บางคนก็ พอเจอแบบนี้บางคนก็อาจจะเบื่อก็ไปละแต่บางคนก็ใช้ความคิดหาเหตุผลกับมันเนี่ยเป็นไงบ้างบางทีงเราเราแบบเราไม่ยกมือไปใช่ไหมคะบางทีเออใจแล้วก็ออดไปแล้วไปคิดอะไรก็มีแบบประมาณนี้ ครือฆาวีหนักมแต่มือมันก็พยายามเองได้บางคําหวะถูกต้องแต่เราก็ดูมันใช่ไหยคะแต่สงสยัวยว่าทาไมมือมันพยายเองได้แบบถูกต้องอัตโนมัติคือเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกตัวมือเลยแล้วทำไมมันพยายามเองได้คือมาบ้างมันเป็นประสาทของของร่างกายที่มือทางานแบบอัตโนมัติฮะเหมือนกับ เราก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้กัดดิ้นกัดอะไรนะั่นแหละแต่เราก็ยังคิดได้เราก็ยังคุยเรื่องอื่นได้เราแปลงฟันก็ยังแปลงถูกสุขลักษณะแต่เราก็ยังคิดได้เคยเป็นไหมหเหมือนเราขับรถอ่ะเวลาเราขับรถเราก็ขับได้นะทันที่บาง ท, ทีเราอา จ, จะโกรธหรือคิดเรื่องกับคนเรื่องอะไมาเป็นส่วนของร่างกายที่เป็นอัตโนมัติ <cr> มันทำจนชินแล้วโยม <st> คือเราทำจนชินมันก็เลยมันก็เลยทำถูก <Pie> แต่มันถูกแบบแบบสัญชาตญาณเหมือนเหมือนกับสัตว์ ท, ที่บางอย่างสัตว์เขาก็เก่งมากเพราะสัญชาตญาณเขาเขาเก่งนะแต่มันไม่ใช่เก่งด้วยสติปัญญา Used. สมองคนของเรามีสาม ส, สามส่วนนะส่วนหนึ่งแบบ เรียกว่าเหมือนตามสัญชาตญาณส่วนหนึ่งแบบแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันจะเป็นส่วนของความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งเป็นของเรียกว่าเป็นเรื่องเหตุผลเรื่องสติปัญญาซึ่งสองส่วนแรกเนี่ยส่วนของสัญชาตญาณจะเป็นพวกสัตร์ดึกดําบันพ์ทั่วไปแต่ถ้าส่วนของความคิดต่างๆจะเป็นสัตว์ที่ชั้นสูงขึ้นมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะ แต่ส่วนที่ตามเนี่ยมีเฉพาะของมนุษย์ที่เขาที่วัตสมองส่วนหน้าของมนุษย์เรามันจะใช้เหตุผลได้ใช้สติปัญญาได้นั้นที่จริงสองส่วนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เราทำอะไรได้โดยอัตโนมัติแต่ส่วนที่จะทำให้เรารู้ตัวน ะ, น ะ, นะมันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องฝึกฝน ไปถึงอัตโนมัติทางจตใจคือมาว่าแต่อันนี้อธิบายแบบแบบแบบนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่มาคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสมองที่มันสั่งอัตโนมัติเหมือนตอนง่ายๆเหมือนเราเดินนะเราแค่ตั้งใจเดินก้าวแรกๆแต่ถามว่าก้าวต่อไปเราต้องสั่งให้มันเดินทีละทีละก้าวไหมันก็ไปของมันเองอันนี้แหละก็คือ ที่จริงเราก็ไม่ได้ต่งนะแต่มันก็เป็นของมันเองเหมันก็เราหายใจมันก็หายใจของมันเองนะเราก็สั่งเป็นแค่บางขณะเทา่านั้นแต่คร น, นี้เราสังเกตไหมพอเราปล่อยให้มันทาํทาตามความเคยชินนะ่ะมันก็เลยขาดสติไนงนะคือมันก็ยกแบบความเคยชินถ้ามันแต่มาว่าถ้ายอมแค่หลมแค่วินาทีสองวนินาทีแล้วรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่นอกจากถ้าบางครั้งมันหลงนาน เราปล่อยให้มันยกไปแล้วก็ดลงไปคิดเราหยุดไปก่อนหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็เหมือนตั้งหลักใหม่แล้วก็เริ่มใจที่มันกลับอ่าใช่นะกลับมาเหมือนกลับมาอยู่กับการหยุดที่นั่งยก <c oughs> นั่งท่าแบบนี้อะไรตัวน่บบนนนะขยับตัวให้มันรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็อะรู้สึกตัวใหม่มันจะได้เหมือนฝึกจิตว่าคือแต่ก่อนมันไม่ไคยฝึกจิตมันปล่อยให้มันคิดนาน อันนี้เราฝึกให้จิตมันคิดไม่นานโดยการตัดความคิดกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะะถ้าเราคิดว่าเราเรื่องอเราเพิ่มการเพ่งของการเคลื่อนไหวของมือไนดะ้ให้มันแบบดูเราออกมาจากความเ่องให้มัอยู่ที่มือแทนลองดูนะลองดูถ้าถ้าโยง มาเพ่งมาตั้งใจที่มือมากแล้วถ้าไม่เครียดไม่อะไรก็ได้ต้องต้องดูว่าสมมติถ้าดึงออกมาตรงนี้แล้วถ้ามันเครียดแปงว่าอาจจะมากเกินไปดึงขนาดไหนต้องออกมาจากความง่วงได้เลยที่ไม่เครียดนะเราเดยแต่ที่สําคัญวางใจคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่คือเราเพื่อทําให้มันมีสติมากขึ้นไม่ได้ทําเพื่อ จะให้สิ่งนั้นมันหายคือไม่ได้ทําให้ความง่วงมันหายไม่ได้ทำให้ความคิดมันหายนะแต่ทําให้มันมีสติมากขึ้นมันมันมันบางทีมันได้รับได้ผลรับเหมือนกันน่ะแต่เจตนาในการทํามันต่างกันใช่ไหมเช่นเจตนาของก็คือตั้งสติมันเป็นตัวขุศลแต่เจตนาเช่นมันไม่อยากให้มันคิด่ะ ความไม่อยากคือเป็นอัตโนมัตนะเราไม่ชอบมันเป็นอัตโนที่มันพาทําแต่อเราจะสรางสติเนี่ยเป็นกุศลเจตนามันมันต่างกันแต่จริงผลลัพธ์มันก็เหมือนกันแหละพอเรามีสติความคิดมันก็หายพอเรามีสติความง่วงมันก็เบาเหมือม mm hmm. เป็นไงอีก <c oughs> แต่มันมีจังหวะที่พอยกแล้วมือมือมันไปข้างแล้วตกลงมันก็ที่จริงมันถึงตื่นอยู่นะคะแต่ก็รู้ว่าเอ๊ะทาไมมันหยุดนิ่งแล้วก็มันมีเสียงบอกว่าให้มันเคลื่อนมาตรงนี้แต่เสซนบอกว่ามันควรจะไปข้างนี้คือเหมือนลืมท่ามันลืมท่ายกไปเฉยเลยค่ะแล้วก็แบบแล้วก็เลยมันก็ยังมีเสียงบอกว่ากลับไปตั้งต้นใหม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลงกลับไปเริ่มท่าแรกเลย คือยกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนดีก็ไม่ได้อันคือโตมันหลับมันเหมือนหลับนะคะแล้วก็เอ๊ะแต่หลับแต่เราก็เหมือนลืมตาเราก็เห็นอยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันหลับมันตื่นคล้ายๆจิตมันมันตกผวังไปั้งดหม่ตกวังใช่ไหมมันก็เลยดื่มไปมันเหมือนดื่มไแจะ มันลืมสมมุติมันมันต่อปป <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะมันเหมือนมันเหมือนรถเราวิ่งแล้วตกหลุมบ้างกระดุดนิดหน่อยกระดุดนิดหน่อยแล้วทำอะไรไม่ถูกกลับมาเริ่มใหม่เลยก <c oughs> ลับมาเริ่มใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรแม้แต่มาเป็นบางครั้งเองก็เป็นบ้างนะลืมสมมุติดืมว่าจะทําอะไรบางทีแบบพอเราลืมนิดหนึ่งแต่สิ่งสาคัญคือเราอย่าไปอย่าลืมตัวโดยการเช่นเอ๊ะ คือบางทีมันจะทําให้เราสงสัยทําไมเป็นแบบนี้อะไรนะทําไงถึงยจะไม่เป็นแบบนี้อีกอนี่มันจะทําให้เราลืมตัวไปแค่รู้ว่าเป็นแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยเป็นไงคนใหม่เป็นไงบ้างเปนไง เห็นเลทนาค่ะแล้วก็เห็นอาการป่วยอะไรของตัวเองมีความง่วงเข้ามาแล้วเราก็ก็รู้ก็อยุด แ, แล้วก็เกิดการด้วยความกุ่งนแล้วก็ค่อเริ่มค่ เ, เริ่มใหม่ทีนี้พอเวลาทำทำบางทีมันก็มีความคิดแทรกแต่เราก็จะไม่ทันแบบมันเข้ามาแล้วพอเรารู้เราก็ก็อย<ม>ู่เราก็เริ่มใหม่แล้วบางทีมันก็ตามตามได้ค่ะ ตอนที่ตามได้มันก็จะไม่มีความคิดเข้ามามันก็มันก็นกปแบบนี้ถูกหรือยางนัจ๊ใช่คือที่จริงตอนที่เรารู้สึกที่ร่างกายมันก็จะไม่มีความคิดแต่ตอนไหนที่ความคิดมันเข้ามามันก็ไม่รู้ก่อนหรอกมันเข้ามาแล้วเราเค่อยรู้ใช่เราไม่ใช่เหมือนคล้ายๆมันเราอยู่ในบ้านนะถ้าไม่มีใครเข้ามา คือเขาเขาอนอกเ็าก็จะไม่เห็นแต่เมื่อไรเขา้าเข้ามาเราก็เห็นถูกแล้วพอเห็นก็แค่เห็นเวทานาเป็นไงเป็นทุกข์ไหมหรือว่าก็แค่เห็นก็ทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์แมันเวทนาอะไรนะแต่รู้ก็ก็ขยับก็แค่นั้น ดีแล้วดีนะนะทเไปเรื่อยนะลองทําแล้วกันวิธีนี้มันเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราต่อได้เลยนะเพราะร่างกายเราขยับทำอะไรเราก็รู้สึกเหมือนเรายกมือแบบนี้แหละมีเวทนาเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเราก็ดูมันแบบเนี้ดูมันหรือมีความคิดหรือมีอารมณ์มันเกิดขึ้นมาตอนทํางาน ตอนเรานั่งดูทีวีตอนเราคุยกับเพื่อนมันก็คล้ายๆกันมันแวบเข้ามาก่อนถ้าเราก็เห็นมันก็มันเป็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นนะอืมันก็คือของจริงแต่เพียงแต่แบบนี้มันมันอาจจะช่วยเรียกว่าสกรีนในอารมณ์ที่มันจะกระทบในปัจจุบันน้อยลงหม่หน่อยมันจะเกิดขึ้นแต่มันผุดขึ้นมาในอดีตอะไรเยอะหรือบางแค่แต่ถ้าคีวิจิณมันมันมีทั้ง สิ่งที่กระทบบ้านหรือบางทีมันก็สิ่งที่มันขุดจากข้างในบ้านเนาะก็พยายามรู้ทันบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อยากใหลามค่ะมันจะมอีม่ใ่บอะไรอยากมเามันจะมีบางอาระค่ะเหมือนรู้ตัวอยู่ดีมันไม่เห็นความคิดแต่มันแค่รู้สึกเหมือนมีอะไรกับเพื่ออะค่ะแล้วบางทีมันก็ มันจะออกมาที่กายค่ะแบบไม่เห็นความคิดแต่แบบหยุดใจก็แบบเหมือนแบบใจหายมันตกลงไปทีมันก็หยุดใจก็เต้นเต้นเต้นเต้นเหมือนมันสื่อเต้นแต่มันยังไม่มียังไม่เห็นความคิดนีค่ะมาอยู่ก็ว่าแบบมือนแบใจหายแบบตกใจสั่นหลังว่ามันคืออะไรอะคะมันคือรูปหนึ่งของความเคิดหรือมันคือความหลงหรือมันไม่ไม่ไม่ต้องเป็นนิยามมันก็ได้แต่มันคือเนี่ยแหละ ใจมันมันไหวจะามผิดปกติคือไหวจะพอปกติไปอ่ะบางทีไม่ไม่ทันจะไม่ทันจะกลายเป็นความโลภความโกรธความหลหรือเป็นความคิดชุดหนึ่งขึ้นมาแค่รู้ว่าใจมันไหวแค่นี้นพอละหรือบางทีพอบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนั้นแล้วมาททำให้เช่นใจมันเต้นแรงหรือเกิดความรู้สึกปวามาขึ้นเนี่ยเราก็แค่รู้แบบนั้นนะบง ฟังแม่เล่าเรื่องมาเลยค่ะหนูยังไม่ได้คิดอะแต่บมันข้างในมันแบบมันแข็งมันกับเครื่อมแล้วก็เลยแบบอะไรเลยก็แต่หนูก็แบบรู้แค่ว่ามันผิดปกติก็กลับมาแต่มันก็จะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นพักๆว่าแบบบางครั้งมันก็จะยังไม่ถึงขั้นก็ไม่พอใจแต่แค่มันเหมือนมันจะเริกไหมครับก็ดีเนี้ยนั่นแหละใจมันสติมันเร็วมันก็เห็นที่จริงที่ที่เห็นมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย คือที่จริงมันจะเรียกว่ามันมันก่อรูปก่อล่างไปเยอะแล้วนะใช่ไหมสมมติถ้าหมดกระดาษบ้างเปล่าเนาะให้ใครทุกคนมาวาดรูปไปมั้ยกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างเป็นนะคือมันใช้เวลานะมันต้องขีดเขียนพอลสมัวรจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าคิดขีดนิดนึงเนี่ยมันไม่พันจะเป็นรูปอะไรแต่มันรู้แล้วมันมีมีการเคลื่อนไหวนะดูแค่นี้แหละนะ เพจริงเอาเข้าจริงบางทีเราก็พูดไปเป็นเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แต่จริงเราแค่รู้ว่าใจมันไหวพอไลยไม่ต้องไปแยกแยะ ก, ก็ได้ว่ามันคืออะไรเนะถ้าบางทีถ้าดูใจจริงจมันดู ง, ง่ายๆปกติหรือไม่ปกติดูเป็นผู้ปกติหรือไม่ปกติกต ไ, ม ไ, มกไม่ปกติเนี่ยบางทีแยกไปหลายอย่างได้แต่ไม่แยกก็ได้ เช่นปกติหรือว่าบางทีเรียกว่าไม่โกรธกับโกรธนะฮสงบกับฟุ้งซ้านอะนะหรืออยากหรือไม่อยากมัน <c oughs> ก็มีแค่นะี้นะแล้ว้อย่างนี้ค่ะความเป็นคนจะอ่านเขาจะทำอยู่เป็นคนไม่อ่า น, นไ ม, ไม่ไม่ชอบอ่านก็เลย้สึกว่าแบางครั้งเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ไม่ไมีต้องอ่านหรอกเพราะถ้าอา่านจะคิดมากอีก <c oughs> <c oughs> คือพอเรามีข้อมูลมากครนี้เราจะเร า, เราจะครนี้เราจะเอาคำบาลีคำศัพท์ในเราจะมาทิ้งทิ้อนี้มันคืออะไรไ ม, ไม่ต้องอ่านหรอกแล้วก็เดี๋วยวเราฟังไปเรามีสภาวะไปนะ เราฟังครูบาอาจารย์ท่านต่อหรือท่านเทศนะเราจะรู้เองอ๋อไอ้คือไอ้ตัวนี้ยเราจะรู้เองแต่ถ้าเราเรารู้ก่อนมีมีมีสับอะไรเยอะยะอันนี้ปฏิบททัติทางทีมันจะกลายเป็นเอ๊ะไอ้ที่เกิดขึ้นนั่นน่ะมันคืออะไรสมมติเรามีสภาวะอยู่ 10, 10สิบสิบสับนะสมมุติที่เราจําได้พอเกิดสภาวะนี้เราจะคิดอันนี้มันคือคืออะไร <c oughs> มันจะกลายเป็นเป็นการไป ไปคิดคิดเทียบเทียงแต่ถ้าเรามีสภาวะเกิดขึดน้นมาปุ๊บเรารู้ล้วสภาวะในใจเป็นแบบเนี้ยพอเราได้ฟังคําพูดอ๋อครูบาอาจารย์พูดแบบเนี้ยมันตรงเลยอืมตรงเลยเราจะเข้าใจอ๋อเราถึงจะดูว่าสมมุติว่าแบบนี้เขาเรียกเขาแบบนี้แบบนี้จะง่ายอืมเรียนแบบนี้บบนจะจะง่ายกว่า มันจันทน์มีได้เติ